องค์ไดพระสมพุทธไพเราะมากกับการที่หกแต่งไว้เราลองแล้วเราก็รู้สึกตัวเสียงหรือโทนของเสียงจะค่อยๆทำให้เรารู้สึกตัวดีและรักษาความรู้สึกกัวไว้ได้ด้วยต้องทำใจให้ดีก่อนลองลอ ง, ลองดอูทุกคนจำได้ดีใช่ไครับองค์ไดพระสัมพุทธใครจำไม่ได้บ้าง ผมก็จำไม่ไ <interpret> ด <arla> ้พอคิดจะร้องเพลงก็คุยกันทันทีเห็นไหมเรืออารมณ์เราไม่เหมาะที่ร้องเพลงครับงั้นยกมือต่อไปเพืออารมณ์เราไม่เหมาะที่จะทำอะไรดีๆเรามักจะฟุ้งซสก่อนทุกทีสังเกตรเง พอผมแกล้งเดินเลยนเดียวมีเสียงจอดแจ๊จอดแจ้บขึ้นมาทันทีคือพอ ม, มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราจะฟุง้งนันแสดงเราไม่เหมาะสมทำต่อไปจนกว่าความสึกตัวมันเน่าหน้าขึ้นศักดิ์สิสทธิ์ขึ้นจริงใจขึ้น คริสเตียนเขาร้องเพลงกันมากครับเพลงเข้าใจรักด้วยพอ ด, ดีด้วยนะฮะชวนให้มีความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตะเพื่อนมนุษย์ เราร้องได้อย่างนี้นะครับแสดงเราเริ่มมีอารมณ์ที่ที่ดีและไม่เตลดิดเข้าใจั้ยครับอรลองรองตามผมนะ Sapanyu, prakusungkarun, pratam lam le. พระทรงนาบุญของปวงชนพระรัตนไตรัยอยู่ในดวงกระมนของทุกคนกระมนของทุกคนทุกชน ท้จะเบิกบานเรื่องเรื่องรักมีสารจักรวาลชีวีนี้อัมภัยด้วยสัจเจ ที่วันนี้ให้เพื่อชีวิตใหม่ในพระองค์การควบคุมอารมณ์ได้นะครับหมายถึงว่า จบสิ้นอารมณ์เรื่องนั้นเพราะรู้สึกตัวจะกลับตกลงมาในตัวมันเองเข้าใจไหมครับคือพอเข้าไปในอารมณ์นั้นแล้วมันหลุดออกมาแล้วกลับมาบนฐานซึ่งป ก, กติดังนั้นการร้องเพลงหรือทำอะไรเช่นนี้เป็นอาการไม่คลั่งบ้ า, าทักวันนี้เราเห็นคนหนุ่มสาวคลั่งดนตรีใช่ไหมครับ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 ถ้าเราเดินก็เหนื่อยอย่างไปที่หัวถนนนี่นะฮะมีจักรยานนั้นสะดวกขึ้นแต่เราอยู่เหนือจักรยานเบร์จักรยานยางแตกที่นี้สนุกใหญ่เลยต้องเข็นกลับเป็นภาระขึ้นมาดนะัางนั้นเราฝึกให้อารมณ์เราเนี้มีเพื่อเหมาะสมที่จะดำรงชีวิตอยู่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 รับจ้างบวชไม่ไม่ใช่ครับไม่มีใครก็จ้างอาชีพขอเข้าใจไหครับขอเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าขออย่างผู้ที่รู้ตัวก็เรียกว่าขออย่างอริยะครับเขาไม่ให้ก็ไม่โกรธให้มากก็ไม่ว่าอะไรให้น้อยก็เฉยแล้วก็ตอบแทนโดยธรรมะตัวเองปฏิบัติแล้วก็แนะนำผู้อื่นอันนี้เป็นอาชีพเรียกว่านักบวช คนเราต้องมีอาชีพครับอาชีพเป็นองค์ประกอบเป็นองค์มรรคองคหนึ่งเมื่อเราทำอาชีพไหนไต้องมีอารมณ์ครับไม่งั้นทำไม่ได้มัือจะเป็นนักมวยเกิดไม่สู้กันมาเนเขาไม่ให้เข้าสนามหรอกจริงไหมฮะหรือจะเป็นศิลปินหรือเป็นทนายกงก็ต้องศึกษากฎหมายเป็นช่างกลช่างยนต์ต้องมีความรู้เรื่องช่างกลช่างยนต์คือต้องมีอารมณ์กับมัน คือมีความคิดนึกกับมันเข้าใจไหมครับถ้าความคิดนึกความรู้สึกเกี่ยวกับอาชีพนั้นม้อยก็ลอกเวลาทีนี้ยุ่งแล้วครับมีคนเขาจะผิดมากเลยเรื่องนี้เช่นไป น, นั่งสมาธิเข้าจังกระทั่งไม่อยากทํามาหากินนะไม่อยากอยู่ในบ้านในเมืองเข้าป่าอยู่ถ้าอยู่ถ้าพักหนึ่งร้อนใจเข้าเมืองอยู่เมืองร้อนใจเข้าถ้า ว, วนๆกันอยู่อย่างนี้สังเกตดูไหมครับ นีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนั้นคลั่งธรรมะมากจนไปอยู่ถ้ำปวดเป็นชีโหมขาวแต่ว่าสองเดือนข้ามืทีมาขอร้องให้เขาพาไปเลี้ยงที่พัฒนาคารผมฟังแล้วผมนึกเขมมาในใจโอ้โหยนี่อยู่ขนาดอยู่ถ้ำนะผมเลยบอกเพื่อนคนนี้มาเล่าฟังบอก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 อในเบื้องต้นครับส่วนคำพูดที่ว่าไม่มีอารมณ์นะครับเที่พระเจ้าใช้คําอนารมณนังราษจากอารมณ์ซึ่งเป็นที่สุดทุกขนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพูดกันพูดไม่ได้ครับแล้วไม่จําเป็นต้องอธิบายด้วยแต่ผมพูดในฐานะที่ว่าเราเป็นเป็นชาวบ้านใช่ไหมครับเราชาวบ้านใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราก็เหาะไม่ได้ สองวันก่อนผมมาผมมันท่าจะเหาะได้ครับคุณสีนวลไปหาแล้วผมเดินตัวเบาเพราะเป็นไข้ค่อ <c> ย <ười> ๆจะเหาะได้จริงก็เหาะไม่ได้แล้วครับเหาะไปทำไมเดินนี่ยสบายดีสมมติมีข่าวหรือมีคนหอได้จะไปดูคีหยผมไปไปนอนดีกว่าสบายดี มันจะมีประโยชน์อะไรหอด้ต้องพาล้มไปด้วยฝนตกตกมไม่ต้เปรียงไอ้ความคิดแล้วเมือเพ้อฝันแล้วก็งงงายมันแฝงอยู่ในคนครับแล้วมักจะออกมาในรูปของความอยากมีฤทธิ์ท่านอาจารย์ครับอยากมีฤทธิ์คืออยากมีอํานาจเหนือนคนอื่นนะครับจะคนเจริญสี่แล้วมไม่อยากมีฤทธิ์อะไรครับมันไม่ต้องการฤทธิ์เดชอะไรนอกจากว่าได้กินข้าว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 ถูกรบกวนอยู่แทบจะทุกบ่อยดังนั้นเราเรียนรู้เพียงเพื่อจะเป็นคนธรรมดาครับเ mm. ข้าใจไหมเราเรียนรู้สภาวะธรรมดาเพียง mm. เพื่อได้รักสภาพธรรมดาในตัวเรา mm. ฟังนิทานเซนเรื่องครับ mm. ที่จะชี้เห็นว่า mm. ชีวิตเยิงคนธรรมดาเนี่ยมัน มันง่ายได้อย่างไรนะครับที่วัดหนึ่งเนี่ยมีชาว บ, บ้านจะไปสวดมนต์ั้งแต่ตีสามที่ญี่ปุ่ น, นครับเรื่องจริงนเนี้ยชาว บ, บ้านผู้หญิงผู้ชายญี่ปุ่นก็สายเกียเกลไม้นะครับทีนี้ที่นั้นวัดแห่งนั้นเป็นที่ลุม่มพอตกดึกใกล้สว่าง พวกห อ, อยทากจะขึ้นมาคลานเต็มทางเดินไปลงธรรมที่สวดมนต์ทชา บ, บ้านมาก็เหยียบห อ, อยทากตายเกลื่อนทุกเช้าทุกวั น, วนพระรูปหนึ่งท่านนึกสงสารสัตว์ครับท่านเลยตื่นตั้งแต่ตีสามลุกขึ้นเก็บห อ, อยทากทิ้งสองข้างทางแต่ว่าท่านใส่เกีย๊ยดังนั้นดังโกเก๊โกเกนี้พระอีกรูปหนึ่งกำลังหลับสบายอยู่ในะใกล้ลุ่ม ถูกปลุกด้วยเสียงเกี้ยก็โกรธรั่ลำคาญพันลุกมาต่อว่าทำอะไรลกคุณผู้อื่นไม่รู้จักไวลัมเวลาพระรูปแรกบอกว่าผมช่วยชีวิตสัตว์เถียงกันใหญ่ครับเพราะว่าพระองค์ที่สองบอกว่าหอยชากเนี่ยมันกัดกินพืชผักของชาวสวนปล่อยมันตายเท่าเราช่วยชาวนาเนี่ยคุณไม่คิดบ้างหรือพระรูแกว่าผมจะไปคิดอะไรผมเป็นพระรูปหนึ่ง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 ที่นี้เนนมันคันปากกับทนไม่ได้เนนก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับสองข้อนี้มันขัดกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะปฏิบัติยังไงเนี่ยเพราะว่าจะเอาเอยียถอยท่าออกจากทางเท้าหรือว่าไม่เอาอาจารย์หันมืนทางเนนบอกมึงก็ถูกเหมือนกันลูกให้ถูกเหมือนกันเข้าใจมังคคนไม่มีปัญหาคนนี้ไม่เห็นอะไรผิดพลาดเลย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 ถ้าอาการเช่นนี้เป็นไปเองนะครับนั่นแสดงว่าความรู้สึกตัวของเราตื่นมากๆแล้วครับดังนั้นอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานเข้าใจไหมครับอารมณ์เข้ามาเปรียบเหมือนคลื่นเปียบเหมือนลมเข้ามากระแทกน้ำกลั่นคลื่นแล้วแพ่กระจายราบเรียบไปเป็นน้ำอย่างปกติสักเดี๋ยวก็เกิดอีกครับ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 ดีใจเฉยๆเข้าใจไหมครับเสียใจเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นสมมุติใครมาว่าเราเราก็เสียใจแต่เสียใจเฉยๆก็รังวลให้ดีใจเหมือนกันแต่ดีใจเฉย ๆ, ๆเข้าใจไหมครับเออเนี่ยมันแปลกมากคนไทยเห็นสิ่งนี้มานานครับจึงประดิษฐ์ถ้อยคํานี้ขึ้นร้องเรียกสภาวะนั้นได้อย่างแม่นยัาง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 วันนี้เราเข้าใจพระเจ้าเนี่ยไม่มีอารมณ์ก็กลายเป็นหัวต่อแทนเป็นพุทธรูปครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีพระเจ้าทรงตรัสนะบอกว่าเมื่อเราสอนสาวกสาวกปฏิบัติตามเราชื่นใจแต่เราไม่หวั่นไหวเท่าไหร่คือท่านดีใจนะครับท่านชื่นใจทีเดียวคนธรนมดาไม่ใช่ว่าท่านเฉยๆตลอดศพอย่างนั้นพุทธ ร, รูปจะดีกว่าพุทธเจ้าครับเพราะว่าท่านพุทธรูปยิ้มก็ยิ้มอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติ เอเมื่อเราสอนสาวกสาวกไม่ปฏิบัติตามเราไม่ชอบท่านว่าอย่างนั้นนะครแต่เราไม่หวั่นไหวด้วยนั้นแสดงในตัวมนุษย์เนี่ยครับแม้มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดก็ยังมีสิ่งที่อารมณ์แต่ท่านอยู่เหนืออารมณ์เวทนามีหลายอย่างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้จักสุข ท, ทุกขทุกขคมสุขแต่อีกสองอย่างอย่างโสมนัสโทมนัส สมนัตคือความรู้สึกที่เกิดภาวะที่ใจดีขึ้นมาสุมนัตต์นั่นเองครับโทมนัตคือทุสมนัตใจไม่คดีคือใจเสียขึ้นมานี้โทมนัตเป็นเป็นประเภทความทุกสมนัตเป็นประเภทสุขแต่ไม่ใช่สุขอย่างแข็งกร้าสุขน้อยๆครับดังนั้นพระเจ้าได้ทรงชื่นชมสมนัตกับสาวกซึ่งปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำ ดังนั้นท่งบอกว่าเมื่อเรามีความสุขให้สุขเฉยๆสมมติปฏิบัติธรรมะไปมันเกิดปิติก็ปิติเฉยๆอย่าไปโอ้โหเนื้อเต้นกันมาแล้วสงสัยตัวเองจะเหาะได้หรือวิเศษกว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่เฉยครับเป็นปฏิกริยาทางจิตแล้วก็มันปรุงแต่งไปใหญ่เลยเมื่อใครมาด่าเราก็รู้สึกหอเหิวครับไม่ชอบแต่ไม่ชอบเฉยๆเข้าใจไห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 ครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมญาติครับเป็นป้าสามีแกนอนปวดท้องแกนั่งหัวล่ออยู่ที่แกแดูแลนะดูแลปรนนิบัติแต่แกหัวล้อแล้วพอผมถามว่าเป็นอะไรแกหัวล้อก็บอกใกล้จะตายแล้วนี่พูดอย่างนี้มันจะตายแล้วไม่ใช่ว่าแกไม่รักนะแต่ว่าแกรักเฉยๆเท่านั้นเองส่วนสามีแกนอนนั้น แกก็ไม่โกรธเพราะรู้ดีว่าปัญญาปรนิบัติมาตลอดชีวิตแต่เขาไม่ดยึดถือครับผมสังเกต ด, ดูนะะนั้นระหว่างความรักกับความยึดติดคนละตัวครับดูเหมือนว่าความรักแสดงออกในชั้นที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรมผมบอกแล้วนะวมนโนกตินั้นจะค้นพบภายใต้รูปธรรมเท่านั้นความรักเป็นมนโนกติอันหนึง่ง เมารักใครเราคิดถึงเขาจริงไหมครับหรือถ้าเราเกลียดใครเราคิดถึงเขาเหมือนกันในแง่ลบนั้นความรักความเกลียดเป็นมนุษยกติแต่ว่ามนุษยกติลอยๆนั้นใช้ไม่ได้ครับจนกว่ามันจะผลักดันอาเป็นรู ป, ปรธรรมเช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตานี่เป็นอุดมกตินะครับแต่กรุณานั้นเป็นรู ป, ปรธรรมเช่น